ชลาพิชาติชาติจะพาะบุคคลหกจำพวกคือหนึ่งคนมีอภิชาติดำคือตระกูลต่ำทำกรรมดำคือกรรมชั่ว 2. คนมีอภิชาติดำคือตระกูลต่ำทำกรรมขาวคือกรรมดี 3. คนมีอาพิชาติดำตระกูลต่ำทำพระนิพพานให้เกิด คือกรรมดีที่สุด 4. คนมีอภิชาตขาวตระกูลสูงทำกรรมดำคือกรรมชั่วหาคนมีอภิชาตขาวคือตระกูลสูงทำกรรมขาวคือกรรมดีและหคนมีอภิชาตขาวคือตระกูลสูงทำพระนิพพานให้เกิดคือกรรมดีที่สุด ชันทะคือความพอใจคือยอมให้สงทํทำสังฆกรรมด้วยความพอใจเชทันกะปะจิตติยะอาบัติปาจิตตีที่ภิกษุต้องเข้าแล้วต้องตัดวัตถุอันเป็นเหตุต้องนั้นให้ได้ประมาณเสียก่อนจึงแสดงอาบัติตก